ถ้าสงพร้อมแล้วสงพึงสมมุติวิหารชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลังนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติวิหารชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลังท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสมมุติวิหารชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลังท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงสงสมมุติวิหารชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลังแล้วสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้